ต่อไปมาดูในกระบวิธีแบบหน้าหนึ่ง้อห้าสิบปกขาบทที่ห้าครับพิสุรูปใดรับเอาข้าจากมือพิสุนีผู้ไม่ใช่ญาเว้นไว้แต่ละเสี่ยง ก, กันต้องอับัตปารจิตตีที่มีการเสียสละเป็นวินัยเกา่าทำนี้สั้นๆ น, นะก็เกี่ยวบพิสุนีอีกหน่อยนะครับ ฟิสุนีผูาายย้ไม่ใช่ญาติก็ไม่ได้ใชยย้ยาติเนื่องถึงกันนะทางมาดาหรือบิดาก็แล้วแต่เจ็ดชั่วโคต น, นะครับเล่าเอาจากมือจะเล่ามาจากมือโดยตรงนะหรือว่าเขาจะวางไว้แทบช้านะครับหรือถึงขนาดว่าเขายโยนให้นะเวลาสแสดงธรรมเขาจะมีการบานชาครับถ้าบิสุนีโ ย, ยนผ้าใหบผ้าผ้ายินดีเล่านี่ก็ต้องเอาบัตเหมือนกั น, น ไฟตีไม่ว่าแต่แรกเปลี่ยนกันถ้าแรกเปลี่ยนกันได้ไม่เป็นไรนครับเอาจีวมีค่ามากแรกมีค่าน้อยมีค่าน้อยแรกมี ค, ค, ค่ามากก็ไดหรือมีค่าเท่ากันนะขอยแอแรกกันกันนะครับถ้าบอกว่าถึงขนาดนี้นะแม้แต่เอาชิ้นสมอไปแลกก็ไม่ได้ครับนะครัครับเราสมอเนี่ยแล้วก็ไปแลกเอาข้าพินนี่ก็ได้ก็ถือว่าเป็นการแลกเปลี่ยนนะครับ ขอให้แรกกันานั้นเองครับแต่ถ้าไม่ยอมแรกแต่รับของเข้ามาอย่างดียวนี้ก็จะเป็นอบัตต์สิทธาบาทาบนี้นะครับเพราะนั้นสิทธาบทนี้ท่านจะบอกว่าเป็นกิริยากิริยาคือต้องเพราะทําและไม่ทําในขณะเดียวกันนะครับต้องเพราะทําอะไรเพราะทาการรับจีวรจังมือซึ่สุนี้พไม่ใช่ยากไม่ทําเพราะว่าไม่ยอมแรกเปลี่ยนครับเนี่ยในขณะเดียกันครับ พ่อรับแล้วก็พ่อมไม่ได้เปลี่ยนถ้าการรับตอนนั้นเป็นการแลกเปลี่ยนก็ไม่ต้องนี้เัาแต่นี้ตัวเอามันรับไเฉยไม่ยอมแลกเปลี่ยนเนี่ยมันก็เลยเป็นกิริยากิริยากิริย า, ยยายต้องก็ทำได้ไม่ทําในขณะเดียวกันนี่ครับครับได้ยินได้ฟังมาเขาบอกว่าห<อ>้ามซือ้ขอขายแลกเปลี่ยนครับครับ แต่หน้าการหาพังไม่ใด้แลกเปลี่ยนได้ครับไม่เป็นไรนะครับถ้าแลแกเปลี่ยนคารวะา้ไม่ได้ครับแม้แต่ว่าการมาด่างตนเองนะเราจะไปของแลกเปลี่ยนกแกไม่ได้ครับเอามือถือไปแลกเปลี่ยนะขอเปลี่ยนกระยองเนี่ยครับของยมแม่สิงห์ธรชอบนะขอแลกไปละกันอย่างนี้ไม่ได้นะครับถ้าขอขออะไรได้ก็ให้ไปเลยแต่จะทําการแลกเปลี่ยนไม่ได้ครับ ได้ก็จะพอ้อสาธมธรรมินะครับอันนี้แรกได้เลยมันก็มีคนมีอีกคนแรกอะไรนะเอาใบโอนาแตแรกขาบาทครับแรกกันอย่างนี้ครับก็น่าเลยนะครับเราเห็นร้อยขบข่านเลยก็ไอันนี้มาดูต้นบรรยัตินะครับก็นนนนะะมบรรยางนี้ก็เป็นเรื่องของอทิสุนิอุบลมนว น, นา โดยสมัยนั้นหลวงพ่อพระพุทธเจ้าประทั บ, บทอยู่ณพระเวฬุวันอันเป็นสถานที่พระราชทานเหยียดแก่แต่เขตพระนครราชสีค์ครั้งนั้นพิจุีอุบลวันนาอยู่ในพระนครสาวัตถีคั้งเวลาเช้านะครับท่านก็เข้ามิสบาร์ในพระนครสาวัตถีเก่าจะวิสบาในเวลาหลังอาหารและก็เดินเข้าเบ็ดทางป่าเป็นทวารคือตอนนั้นผู้ถองเนี่ยไม่ได้เป็นยศข้ามบท น, นะ ตอนหลักก็ไม่บัญญัตินะครับไม่ไมิธียอยู่ป่าะะไม่ว่าจะมีหรืไม่ไปอยู่ฝ่าคนเดียวเพราะจะเกิดอันตรายขึ้นได้นะครับแล้ยังไม่บัญญัตินะพิธีท่านก็เดินเข้าไปทางป่าอันธวันเพื่อพักผ่อนกลางวันเข้าไปถึงป่าอันธวันแล้วนั่งพักกลางวันที่คนไม้แห่งหนึ่งท่านไปเข้านั่งสมาธินะครับก็ไม่ได้บอกว่าเข้าชาไหน น, ะ, ะ, น ะ, ะหรือว่าสมาบัติ แต่ว่าเนี่ยไปนั่งเข้าสมาธินะครับสมัยนั้นก็มีพวกโจโน่ะไปทําจุลกรรมนะก็ฆ่าแม่โฮครับข้าแม่คนแล้วก็พากันนะถือเนื้อเข้าไปสื่ปานถ ว, วันนายโจรแรงเห็นพิจุนีอุบลวันานั่งพักกลางวันอยู่ที่โคนไม้แห่งหนึ่งข้าและจึงนํดำดิว่าถ้าพวกโจนุ้งน้องของเราพบเข้าจะเบียดเบียดพิจุนีนี้แล้เรนนื่องบางอย่างอื่นนะคก็ห้ามลูกน้องให้ไปเท่นั้นนะบอกมาท่านี้นะครับ น้องก็ต่างไปไปนายโจเนี่ยเขารู้จักพิศุริตั้งแต่พระอุบลวรรณาถดิปในคารวละครับรู้จักกันนะก็เลยนี่นะครับปรารถนาดีก็เลยบอกว่าทีนี้ก็เอาเนื้อไปปิ้งกันนะครับเมื่อเนื้อสุกแล้วเนี่ยนายโจนั้นได้เลือกเอาเนื้อชิ้นที่ดีๆเอาไปไม้ห่อขวนไว้ที่ใต้ต้นที่ต้นไม้ใกล้พิสุริอุบนวรรณา แล้วกล่าวว่าเนื้อหอนี้เราให้รล้จริงๆผู้ใดเป็นสมณาหรือทามได้เห็นจงถื อ, อไปเถอดังนี้แล้วก็หลุไปครับยุสุนีวรวันณออกจากสมาธิออกขนาดน้นพอดีนะก็เลยได้ยินเสียงของนายโจนคนนี้นะครับก็พูดอย่างนี้นะนได้ยินเสียงนายโจนนั้นกล่าววาจานี้จึงถือเอาเนื้อนั้นไปสู่สำนักเพราะว่าวก็เห็นว่าไม่มีใครเนี่ยสมณะทามก็เห็นได้มีแต่ท่านใช้ไหมครับ ก็เลยก็จะในผ่านในผ่านให้แล้วเนี่ยในโจในโจนะทีนี้ครั้งลาตีนั้นผ่านไปนางทําเนื้อนั้นให้สําเร็จแล้วนะครับอาจจะไปหันไปอะไรนะครับรีบร้อยนะครับหอบริ่วเข้าตาลาสองหอกไปลงที่พ่อเวนวันก็โดยสมนั้นเมุทภาพเจ้ากาลังเสด็จเข้าไปตินบาญยังหนึ่งบ้างท่านพระอุทานีเหลืออยู่เฝ้าพระวิหารพ่อถึงวาระของท่านนี้ได้เฝ้าวัดอยู่มาอยู่เฝ้าวัด พิสุนี ว, วันวานาก็เข้าไปหาท่านแล้วก็ถามว่าท่านเจ้าข้าพิมพ์พระพ่าเจ้าประทําอยู่ที่ไหนพ้ายิงก็ตอบว่าดูก่อนน้องหญิงพิมพ์พระพ่าเจ้าสนิทข้ามิธบาลอย่างหมือบ้างเราถวายเนื้อนี้แด่ พ, พิมพ์พพาเจ้าเจ้าข้าดูก่อนน้องหญิงพิมพ์พพาเจ้าทรงอิ่มเอิบด้วยเนื้อของเธอถ้าเธอถวายข้ามต่ะวางศพแก่ประมา แม่ตมาก็จะขึ้นอนอิเด้วยผ้าอนตราวาสศกอันตราวาสศกเหมือนเช่นนั้นนะครับคือพระอุาทานีเนี่ยขอผ้าสบมบับกับพิสุนีบนบรนานะอาจจะทำยังไงแล้วเขานุ่งมาเนี่ยแก้ขอเลยนะครับที่แก้ขอสบมอบัติพ่อจะมีความประสงนานามก น, นะต้องการ จ, จะเห็นนะครับสัตว์สือของพระเถรีครับนี่นะ ค, ะะคะรับเพราะว่าพระเถรีเขาบอกว่าสวยงามมากนะ แล้วก็มีสิริราชสัตว์วงนะครับบอกว่าโกฏิกหาสมบัตินะก็เสีย ส, ส, สัตว์หลวงท่านเน่ยของพระเทวีเนี่ยถึงสุดยอดนะครับ ม, มีเข้าใจที่เกิดคามหลางโมงนะครับเข้าใจจริงที่ว่าเราจะดูความวาอวดแห่งสีริราชของพระเทวี น, ะนะั้นพล้วยอมความอยากได้ในที่สุดขึ้นท่านแกก็เลยขอนะนะครับท่านเจ้าข่า ความจริงพู้ดิฉันชื่อว่ามาตุคามีล่ากน้อยทั้งภาพผืนนี้ก็เป็นจีวรผืนผสุดท้ายที่ครบห้าผืนของดิฉันดิฉันถวายไม่ได้เพราะวิสณีมีจีวรห้าผืนนะครับก็มีสมองจีงวรของขติห้าลักฐานและก็ผราอันนะใช่ใช่วิสณีเขาจะมีนะเนี่ยทีนี้ของพระของพระเสด็จเรียนมีห้าผืนจริงๆนะ บริหานโจรบริฐารี่กลับอะไรของท่านไม่มีเรามีแค่นี้แหละเงินก ะ, ะไรให้ไม่ได้ตผูกทานดีก็แค่ไห้นะจะเอาให้ได้นะพูดว่าดูก่อนน้องหญิงเปลี่ยนเหมือนบุรุษให้ช้างแล้วก็ควรสละสับประครับนะครับหมายถึงขอใช่ไหมครับบังคับช้างนะสำหรับช้างด้วยฉันใดเธอก็ฉันนั้นเหมือนกันแลถวายเนี้ยแต่ไม่มพลาดเจ้ า, าแล้วก็จงสละผ่านตะรวางสงถวายแก่ตามา ท่านนาสุงท่านพระอุทานีแค่คล้ายจึงได้ถวายผ่านตราวางศกแล้วกับไปสู่สนานักนะครับ <c oughs> แต่การถวายของพอระเถรีท่านทานี้ท่านก็เอาผ้ารับฐานมานุ่มใช่ไหมครับแล้วก็ให้ผ้าสมบองทีหลังเนี่ยก็ไม่เห็นนะถ้านมานุ่งทับก่อนใช่ไหมครับแล้วก็ถอดสมบองให้ทีหลังเนี่ยก็ไม่เห็นนะครับผ้าฐาน่มากเลยครับมนขรุนใหญ่นะสามารถมานุ่งได้ครับเพราะก็พับก็อะไรได้ พระุทายีก็ไม่สงสารปัญหานะครับนี้พิษุณีทั้งหลายนะที่เป็นลูกศิษย์ลู้หาของเราคอยรับบาจีวรของพิษุณีอุบลว น, นาได้ถามว่าแม่เจ้าผ่านตะลาวสองคุณแม่อยู่ที่ไหนนางได้เล่าเรื่องแก่พิษุณีทั้งหลายพิษุณีทั้งหลายจึงเเสงต้องอยู่เตรียมพนธนานะครับว่าฉนัยพระคุณเจ้าทายีจึงได้รับจีวรจากมือพิษุณีเล่าพ่อมาตุคามีลาบน้อย ผู้มีไม่น้อยจริงๆนะถือเป็นผู้หญีงนะครับสมัยนี้ไม่ต้องพูดถึงแม่ชีอะไรผมก็ยังสงสัย ส, ย ส, ยสมัยก่อนแม่ีเขาขี่ไปยังไงนะแม่ชีไนนม่ก่อเลยไม่มีหรอกเขาต้องมีทรัพย์มีทุนอะไรนะที่ทาให้อยู่ได้นะพระเวลาโยมถวายสังฆทานเขาต้องมาหาพระนะครัไม่ได้ไปหาชีนะที่ไปทาบุญเดี๋ยวชีเน่ ก, ก็มีบ้านแต่ว่าน้อยนะครับเสก็จะไปหาพระเนี่ย พะฉะนั้นนะครับถึงพิสุนีก็เหมือนกันนะมาตุคามมีราน้อยแล้วก็แจ้งเรื่องนนแก่พิทั้งหลายบรรานินผู้มั่งน้อยสันดแล้วก็แข่งเทเตียนมทณาแล้วก็กริมพ์พระเจ้าสงสร้างนะครับเขาก็องค์งซ่องประชุมสงทรงสอบถามพระอุทยยีพระองค์ตาดว่าดูกองท้ายีเราถามว่าเธอรับยูอัสมุนพิสุนจริงหรือทีนพระมุทตะเจ้าข้าดูกองทายี นามเป็นญาของเธอหรือมิชายามิชายาผพ้ทีเจ้าข้าพนะระองค์ก็ทรงติดเตียเนเรือในปัญญานะครับแล้วก็บรรยากาสิคามแบบนี้ขึ้นมามคือครั้งแรกนะยังไม่มีคำว่าไว้แม้แต่ลากเกียวยังไม่มีนะครับไม่รับเลยน ะ, ะพระสุได้รับจีวรสามหมื่พิะสุหนึ่งผู้มิชายาเป็นนิสสกิยไปีติภาพบรรยากาครั้งแรกมีแค่นี้นะครับต่อมาก็มีเรื่องเกี่ยวกับการลากเกลียวเกิดขึ้นอีก ก็เลยสมัยทั่นแหละพิสุทธทั who knows? Who knows? ้งหลายตั้งรังเกียร์ไม่รับจีวรแลกเปลี่ยนของพิสุณีทั้งหลายเพราะนั่นคือพรของค์สมดสิขาบทุและใช่ไหมครับท่านไม่ยอมนะครับแม้แต่ว่าแลกเปลี่ยนจีวรกับพิสุณีพิสุทธนทั้งหลายจึงแพ่งทอดเตรียมพิธนาว่าในฐานะพระคุณเจ้าทั้งหลายจึงไม่รับชีวรแลกเปลี่ยนของพวกเราครับเพราะว่าพิสุณีเขามีร่ามน้อยอยู่แล้วนะเขาก็เลยคิดว่าเนี่ยถ้าพระคุณเจ้านะไม่มีความคุ้มเวยกับเรา แค่ว่าจะได้เปลี่ยนจีวนรนี่ทำไม่ได้ใช่ไหมครับแล้วพวกเราจะอยู่ยังไงครับมีหน้ามน้อยอยู่แล้วนะมพากะก็ไม่ยอมแลกเีงครับพิสุทธิั้งหลายได้ยินพิษุณีเหล่านั้นแท่งเทิดเป็มพฐนาอยู่จึงการทั้งเรื่องนั้นแดดพุ้งผ้าผ้าแจ้คงผู้หลวงก็สองอีกอย่างนะครับว่าดุก่อนพิสูจธ์ทั้งหลายเราอนุยากให้แล่จีวรแลกเปลี่ยนกันของสัตว์ธมิกทั้งห้าคือพิสูจุพิสุณีสขมนาสั ม, มเนธสัมเณรี เราอีุญากให้เลาจีวรแรกเปลี่ยนกันของสัตวธรรมนทั้งห้า น, นี้นครับแล้วรวกก็บัญญัติเป็นสุดคำเต็มๆนี้ขึ้นมาครอย่างนี้นะครับนนคำว่าจีวรก็อะไรในคำขาดก็จะบอกนะอาจีวรหกช่นิดนะครับมาดูคำอธิบาลในปัาขาหน้าหนึ่งร้อยสิบปนะครับข้อที่ห้า อธิบายจีวรปฏิฆานะสิกขาบทสิขาบทว่าด้วยการรับจีวรจากลูกพิษุีพึงทราบอธิบายสิกขาบทที่ห้าต่อไปคำว่าอัญญาติการยะผู้มีใช่ ย, ยากมีในดังกล่าวไปแล้วนั่นเองมมนได้ใช่ยากกันตลอดชโ น, นะโ เ, เพราะฉะนั้นเรื่องยากข้าพระเจ้าจะไม่อธิบายไว้ในที่อื่นนะครับ คำ ว, ว่าจีวอหมายถึงผ้าที่ควรแก่การวิกกับอย่างใดอย่างหนึ่งบรรดาผ้าของชนิดนะครับ<ม>คืออะไรกว้าง25ยาว50ตั้งแต่นี้ขึ้นไปใช่ไหมครับ<ม>เอาผ้าขนาดนี้นะที่ทำให้เป็นน้ำบ๊อบในสุขาบทนี้นะครับเ<ม>ในสกคขาบทที่เกี่ยวกับจีวอทั้งหมดก็มีในเช่นนี้นะครับ<ม>ขอให้หรู้ว่าจีวอนคือจีวอขนาดนี้นะที่ควรแก่การมิกกับ เฉพาะที่แปลกกันเท่านั้นข้าพเจ้าจึงจะอธิบายไว้ในคาว่าปฏิคันหยียงนี้พิสุณีจะให้ในมือด้วยมือของตนก็ดีปฏิคันหายนี้แปลว่าถึงลำนะรับจะมือพิสุณีเนตองครัก็ดีวางไว้แคบเท้าก็ดีเมื่อพิสุกาวธรรมกัหาอยู่คันเขาโยนผ้าหลายถือมันก็มีทั้งโยนทั้งอะไรพิษุณีใช่ไมโยนผ้าทังป บริสุทธิ์จะมนะีการบูชาธรรมแล้วก็เนี่ยากาถวายของผ้าที่แสดงธรรมด้วยนะก็โยนท่านไปผ้าที่เป็นของนาพิสุณีเลยเข็ไปเลยเข้าไปนะเขาโยนไปข้างบนก็ดีถ้าพิสูจนด์ดีนะถ้านั้นถือว่าพิสูจนได้รับแล้วทีเดียวนะก็ถือชื่อว่ารับในที่นี้เท่านั้นนะครับนนี้ พิสุจะรับเอาผ้าที่พิษุนีส่งไปในมือของอนุปสัมบันฑผู้ที่ไม่ใช่พิสุพิสุณีผู้ใดผู้หนึ่งครัวอันนี้ได้นะครับถ้าเขาไม่ได้ถวาเเยเลยตรงนะเขาส่งไปอีกทีหนึ่งใช่ไหมครับฝ่าให้ใครนะอนุปสัมบันคนใขาได้เสนอนะจะเป็นสัมมณีสมมัสมมณรีสิทธามานาบาสงบาสิกาเท่านั้นนะครับเออนะครับผ้านะ ผู้ใดผู้หนึ่งควรอยู่ผ้าที่วางไว้ในกองขยะเป็นต้นด้วยหวังว่าจะให้พิสูนถือเอาเป็นผ้ามงสกุลพิสูจจะที่สาดผ้ามังสกุลถือเอาข้อคว ร, ครได้ที่สุดเนี่นยเขาตั้งใจข้ะตั้งใจที่จะให้ข้าที่ามาเอาผ้าไปวางไว้ได้ค่แล้วก็เมีกรณีะคิดว่จะบูชาทอยางนี้ พิสูจน์ดถ้าโยนขึไปโดยตรงนะครับแล้วก็พิสูจน์ก็ยินดีในฐานแม้ว่าจะยังไม่จบประกาศยิงดีก็นะนี่ก็เป็นอาบัติก็ถือว่ารับนะครัก็เป็นเป็นอาบัติในพอทำเออกไปแต่ถ้าป่าป่าสัปปน่นคืออะไรคางลูกปรบันนครับไปให้ทีนึงพรรคือความดีอันนี้ไม่เป็นก็ตามสึกาบอกคือรับจากมือใช่ไหมครับคืออย่างที่ว่า แต่ว่าถ้าก็าวางทิ้งไว้นะเดือนตั้งแต่ว่าจะให้ผ้าบางสุกุลออกแล้วผ้า อ, ออกบางสุกุลจริงจริง น, นี้ก็ไม่เป็นไรนะครับคําว่าอันยตระปาดิวัตกาเว้นไว้แต่แลกเปลี่ยนกันครับความว่าผ้าใดที่พิสูจน์ได้มาด้วยการแลกเปลี่ยนกับสิ่งของโดยที่สุดแม้เพียงการแลกเปลี่ยนด้วยชิ้นสมองนะครับโอ้อนี่นะ หรือด้วยผงใจไว้ว่าได้ผ้ามาแล้วจะให้สิ่งของนี้ก็ได้นะครับผงใจเมลวลาเล่าผ้ามาก่อนใช่ไหมแล้วก็จะเอาของให้ทีหลังมันก็ได้เหมือนเว้นผ้านั้นเสียเว้นผ้าที่ทําการแรกเปลี่ยนนะครับเมื่อพิสูจถือเอาผ้าอื่นถึงจะเป็นเพียงผ้ากองนะั้นซึ่งได้นขนาดนะพอที่จะไม่กลับไม่ได้ต้องบันิสกิยาปาสตรีกันือนกับ ในสิกขาผลนี้ฝึงทราบวิธีการสลระโดยวิธีนี้ว่าอีทางเมพันเตจิวรังอัญญาติการะญญาภิคุณิยาขัตโตปฏิฆะหินตังอนิจระปาณิวัตกานิสขิยังทูลสละแปลว่าอย่างนี้นะข้าท่าเจริญจีวรของข้าพเจ้าผืนนี้นะครับหันร่ำจากมือที่สื่อผู้ไม่ใช่ยาก เว้นไว้แต่แรกเตียงเป็นของจําต้องสลัดอืมครับสลัดประเภทอาบัตสิกขาบท น, นี้มุภาเจ้าทรงปราบโลกชายีเถระบัญญัติได้แล้วในเมืองราชสุขพราะเรื่องคือการรับอาชีวรคํานี้ว่าเว้นไว้แต่การแรกเตียงจัดเป็นอนุบัญญัติในสิกขาบท น, นี้เป็นอาสาธราบนบมัญญะไม่ทั่วไปเกิดพิชณีเพราะพิชณีเขมีปัญหานะ เขาก็ล่าของกันได้เขไม่เป็นไรเป็นอนาณติ ก, กัด น, นะครับไม่เกี่ยวกับการใช้นะครับใครไปเล่านะ่นั่นแหละโดนเป็นอาบัตทุกกอดแก่ชิ้นสุดนะเพราะกิริยาอาการมีการเหยี่ดมือเป็นต้นเพื่อแก่เพื่อประโยชน์แก่การรับก็าตอนนีกดหน้าตอนนั้นนะเยียดมือไปจะไปรับหมอคุณทุกข์กอดได้ามาต้องนี้สุขีปาจิตตีแล้วตอนนี้สุขี เป็นค่าที่จะต้องสลัดสินค้าวันนี้เป็นติกาปายีตีติกปาปลายีเป็นไงครับถ้าันนี้ติกปาปลายีเมื่อวานเมื่อวานที่บอกนะครับคือจบว่าในความจริงเนีน่ยในหนังสือข่ายเ อ, อกษารฉบับใหม่มนนคุณเดมัวจำได้ติกาปลปี เป็นไปฏิทินั้งสามกามันจะต้องมีอะไรตั้งขึ้นมาสองข้อนะครับในสิ่งคามุนนิเขาบอกว่าเป็นอนบัติเพราะว่ารากจีวังจำมุนทิษุนีผู้ไม่ใช่ญาติานะครับเว้นไว้แจกแลกเปลี่ยนกันเราก็คําว่าทิสุนีผู้ไม่ใช่ญาติขึ้นมาเป็นตัวตั้งก่อนครับ อ, อันนี้เป็นตัวตั้งยังยังไม่นั่งหนึ่งนะเป็นตัวตั้งเฉยๆนะครับและก็เนี่ยไปบวกไปนะครับ อันแรกไม่ต้องรู้ว่าไม่ใช่ญาติแล้วก็ไปรับท่านเอันที่สองสงสยัยนะครับที่สารูลลลแล้วก็หลัสงสัยแล้วก็ยงยูงข้ครับเข้าใจสงสยัยสาคัญผิดนะครับอย่างนี้นะสาคัญผิดว่าเป็นญากนะครับแต่ความจริงไม่ใช่ยากินะ <c oughs> รู้ทั้งรู ก, ก็ดีทหนึ่ง สงสัยก็ดีแค่ยากไม่ใช่ยากหรือเข้าใจผิดก็ดีว่าเป็นยากถ้ารับมานะครับก็ไปดาบัตเท่านั้นเพราะว่าเข้าไม่ใช่ยากนะครับอันนี้จำไว้นะครับติกาไปตีจิตเปสนักษณะนี้นะครับเดี๋ยวต่อไปข้างหน้าเราก็จะเจ อ, อีครัำผมใช้คำ ว, ว่าเข้าใจสงสัยสําคัญผิดนะครับคำเข้าเข้าใจครับเข้าเข้าใจถูกนะครับ เขียนว่าเข้าใจถูกนะถ้าในในเอกที่ถ่ายกระสารใหม่เนีน่ยมีใช่ไหมครับเสียนให้นะข้อแรกเข้าใจถูกว่ามัใช่ยาก ข, ข้อที่สองสงสัยข้อที่สามสมคัญผิดเนี่ยไป็ีสามข้อแต่ว่าเราต้องได้หัวข้อหลักก่อนว่าคืออะไร่ยที่เราจะมามนสามนี้นะครับอันนี้เราทําได้ต่อไป อาณาบาทนะครับอาการที่ไม่ต้องอาบัติที่สุดไม่ต้องอาบัติเมื่อหนึ่งถือเอาโดยวิสารสาะเราไม่ไปรับจมือแต่เราวิสารสารของแกมาเลยนี้ไม่เป็ น, นะครับนสองถือเอาเป็นของอยู่นะคะยืมมาใช้ได้เป็นไรนะครับสามถือเอาบริฐานที่ไม่ต้องอธิษฐานไม่ใช่ไม่ได้นะที่ไม่ต้องอธิษฐานมีฉลกบาตรเป็นต้น อันนี้อในดีการห้าทีบ า, บายว่าถ้าถลกบาตรมันมีขนาดใหญ่นะครวรแก่การที่ถามีิกัพเนี่ยก็ต้องระบัดเหมือนกันนะครับก็ไม่ได้เหมือนกันนะอันนี้ต้าหมายถึงถลกบาตที่มันเล็ก น, นะไม่ไม่พอยี่สิบห้าคูณห้าสิบนั่นนะครับขนางเล็กแบบนี้นะครับแต่ว่าถ้าเป็นพวกผ้าปูนอนนะอันนี้ไม่ใช่ผ้าปูนอนผ้าพวกฟูกนะครับเปลือกฟูกนะพวกนี้นะอันนี้ไม่จํากัด นะครับม่นจไม่มีมใช่ผู้ผิเนี่ยผ้าปูนอนมันจะเป็นต้องพูดถึงเขียนไหมนะก็คือแม้ผ้าปูนอนก็เป็นอาบัตนะครับเป็นอาบัตแน่นอนแต่ถ้าเป็นบางอย่างเี่ยเป็นของที่ไม่ต้องทิฐานเลยพวกเปลือกโฟูกใช่ไหมครับเปลือกหมอนนี่นะเปลืฟวูวกคือไอ้ตัวผ้าที่ก็เอาเอาเนื้อสำเรีฟองน้ํายัดเข้าไปอีกทีนช่ไหมครับตัวผ้าที่มานห่มอยู่นะแต่นั้นเป็นสิ่งที่ไม่ต้องทิฏฐานอยู่แล้วก็ไม่ต้องอาบัตนะ จะใหญ่แค่ไหนก็ไม่เป็นไรนะครับห้าพิสุบ้าเป็นไงสี่นะครับถือเอาจากมือของนางสิกขามานาและสามนเนตรีนี่ก็ไม่เป็นนะครับบางสมบางิการถวายก็ไม่เป็นนะห้าพิสุบ้าเป็นต้นนี่เป็นอาบัติสิกขาวันนี้มีองศาอันมีองศานี้คือหนึ่งเป็นภาพพอที่จะวิกลับได้สองไม่ได้แลกเปลี่ยน สรับเอาจากมือของนางพิกสุณีที่ไมิใช่ยากเมื่อครบองศานี้ก็ต้องอาบับไปตีในสิขาบนนี้สันสุขีด้วยสิขาบนนี้เป็นสันจติตักสมุทฐานคือสมุทฐานหกเลยนะครัสันจติตักนะเป็นกิริยาก็มีเป็นอกิริยาก็มีครับวันนท่านต้องใช้คําว่าเป็นกิริยากิริยา เป็นกิริยาอกิริยานะคือในขณะเดียวกันนะครับเป็นกิริยาอักิริยาต้องพ่อทำครับต้องพ่อทำและไม่ทบจะไม่จะไม่แยกกันอย่างนี้นะครับเพราะกิริยาอกิริยาก็มีกิริยานี้ไม่ได้แยกครับก็คือมันต้องรวมกันเลยต้องพ่อทำและไม่ทำคราวอาจารย์ใช่ครับนี่ผมเขียนว่าให้ข้าถ่ายอกสารสวามัยต้องพ่อทำการเล่า แ, แ ร, รแตก ต, รแรต้องเพราะไม่ทำการแลกเปลี่ยนนะครับอ๋อไม่ใช่เป็นข้าวจานจะของมีค่ามากกว่าน้อยกว่าเสมอกันอะไรก็แลแ้วแต่แลกได้เท่านั้นครับขา้ขาวทองไม่ได้ชิ้นส ม, มองไม่ได้ครับของใหแรกก็แล้วกันครับใช้ไหาครับ <c oughs> ก็อังมบอกว่าพิสุนีเป็นผู้ที่มีน้าัน้อยด้วยคใช่คอก็น่าจะท่ได้สอี่มี่างกัคจาทีุ่ี้าจะใครกับพ้ารูปนี้หรืยว่าอยากจะทําบุญอย่างนี้นะครับบูชาทําบ้านนะก็มีได้ครับนี่นะครับในเอกจารถ้าอยากจพูดนิดนึงที่พิษุณีติดเตรียมพ้าที่ไม่ยอมแรกเปลี่ยนด้วยพ่ออะไร ถ้าบอกว่าเพราะเป็นผู้ถูกความขาดแคลมือเราคือปัจจัยบิดคั้นเราความขาดแคลมสัตใจนะบีดคั้นอย่างนี้ว่าถ้าพระูเป็นเจ้าทั้งหลายไม่มีความคุ้นเคยในพวกเราแม้เพียงเท่านี้พวกเราจะดำเนินชีวิตไปได้อย่างไรกันเขาจะอยู่ยังไงนะครับก็ร่าน้อยอะไรม่้ะครับต่อไปอันนี้บอกว่านะ ที่เหลือเป็นเช่นเดียวกับสิกขาบทที่สี่เลยสิกขาบทที่สี่ก็จะเป็นอย่างนี้นะเป็นยังไงนะมีสูตรฐานหกใช่ไครับเป็นกิริยาอไม่อันอนี้นไม่เหมือนนะที่เหลือคือโนสัญญามิโมกใช่นะครับไม่รู้ก็ไม่พ้นอ จ, จิตตกา ร, นะรปัญติวชตัชตะกายกรรมวจีกรรมมีจิตสามิธนาสาจบ ก, การที่บาจีรปปัปติฆานะสิกขาบท อ๋อทำไมถึยากพิสูจนี้ทำไม